อยู่ในที่ลับกับชายจึงไม่ทำเมถุนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินทวีบวรคัติยาสุขุมารมีพระราชาองค์การประพาสตรถามพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้เป็นปฏิสัมพิทาสมเด็จพระสุขตินทราธิบดินมุนินทรผู้ประเสริฐ